งาบัตินี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พาดันนั่งขัดสมาธิาการนั่งขัดสมาธิแนี้เป็นของง่ายไม่ยากให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย ตั้งกายให้เที่ยงกลงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทธโธเป็นอารมณ์พุทธโธพระพุทธเจ้าต้องนุกต้องเจริญอยู่เสมอคณพระพุทธเจ้านี้ผู้ใดเลื่อมใสศรัทธาเจริญอยู่ซึ่ง คุณพระพุทธเจ้าชีวิตของลูกคนผู้นั้นไม่มีภัยอันตรายใดๆด้วยอํานาจคุณพระพุทธเจ้าแม้ชีวิตแตกดับตายไปทัานก็ว่าไม่ไปสู่อาบายคือไม่ตกนรกไปสู่สวรรค์เทวโลกด้วยอํานาจคุณพระพุทธเจ้า ด้วยอำนาจศรัทธาเล่อมใสอาจารย์เจ้าโบราณท่านจึงเอามาเป็นอุบายภาวนาที่เราเรียกว่าพุทโธพุทโธพุทโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าควาท่านจะมาได้คำว่าพุทโธต้องบำเพ็นทานรักษาศีล อาวนาดุงกุศลนั้นเรียกว่ามากมายเหลือล้นพ้นประมาณจึงได้มาเป็นพุทธโธขึ้นมาได้เราเอามาเจริญพุทธโธตัวยาคิดว่าเป็นของลำบากพุทธโธพระพุทธเจ้าท่านบาเป็ญมามากมาย เราเอามากระเลนมานึกมาเตือนใจให้อยู่ในความสงบความว่าพุทโธพุทโธแปลว่าพุทธะผู้รู้ไม่ใช่ผูธธ้หลงไม่ว่าอะไรอะไรทั้งโลกนี่ลผู้ภาวนาพุทธะพุทโธย่อมเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้จัก เป็นผู้ไม่หลงเมื่อเราจะโลนพุโทโธอยู่เอาจนจิตใจไม่หลงจิตใจหยุดจิตใจอยู่จิตใจรู้จิตใจภาวนาดวงจิตดวงใจที่รู้อยู่ภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทั้ น, นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ใจของเราทุกคนนี่แหละ มีความมั่นคงเลื่อมใสศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้าเมื่อเราเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าเลื่อมใสในคุณพระธรรมด้วยเลื่อมใสในคุณพระอริยสงสาวุทั้งหลายด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อแยกกัว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมาเจ้าพระสังฆ์ขเจ้า แก่ความหมายแล้วพระพุทธธรรมผระสง์นั้นมันก็รวมเข้าในที่อันเดียวพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกนั้นพระองค์ตั้งปณิธานความมั่นหมายไว้สิ่งที่บำเพ็นทานรักษาศีลภาวนาในบารมีสิบบารมีสามสิบทัศนั้นเต็นบริบูรณ์ จึงได้มาตรัสเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าถ้าทำวินัยที่พระพุท ธ, ธเจ้าทรงตรัสทรงชี้แจงแสดงนั้นก็มาจากนามพระทัยใจพระพุท ธ, ธเจ้านั่นเองพระอริยสง์สาวกเจ้าทั้งหลายมาตั้งแต่ในสมัยรั้งพุทธกาลต่อเนื่องมาจนสาวกในสมัยนี้ คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้บำเพ็ญภาวนาผู้ไม่ทอแค่ออนแอในหัวใจผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้างจงภาวนาถึงขั้นพระอริยสงสาวุจเจ้าตระอริยสงสาวุเจ้าจริงๆนั่นในรั้งพุทธการสมัยโน้น ไม่ได้หมายเพียงว่าน่องเหลืองห่มขาวโกนสมโกลคิ้วเข้านั้นเป็นพระสงฆ์สาวกอันนี้เรียกว่าสมมุติสงฆ์พระสงฆ์จริงๆนั้นคือผู้ปฏิบัติทำความเพียรเพื่อละกิเลสม่ยอมให้กิเลสเข้ามาทับผมดวงใจยกจิตใจของตนให้สูงขึ้น ไม่ยอมคิดไปพูดไปทำไปตามอำนาจความโรกรธความโลภความหลงข้าอริยสงสาวจิงบังเกิดมีขึ้นในพุทธศาสนาทั้งคริหัสทั้งนักบวชในขั้งพุทธสารเหมือนก็ว่าไม่ยุ่งยากอะไรอยู่บ้านเดือนเซหัสถานท่านกภาวนา เป็นพระสงฆ์สาวกได้คือได้สาเร็จเป็นพระโสดาภิพผลสาเร็จพระสักจคาคามีผลสาเร็จอนาคามีผลจนถึงขั้นสาเร็จเป็นพระอระหันตตาชินาสกก็เป็นไปได้ในขั้งกะโนนคือว่าท่านตั้งใจใจท่านเลื่อมใสศรัทธา เพราะมีพระศาสด า, าสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักเป็นฐานได้ปรากฏทั้งตาได้เห็นหูได้ฟังศรัทธาของคนในสมัยโน้นจึงแก่กล้าสามารถกล้าได้กล้าเสียเสียสลักอารมณ์กิเลสจนมาบรรพชาอุปสมบทเป็นยอมตัวเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า บวชในพระศาสนาสมัยก่อนโน้นหญิงก็บวชเป็นทิกษุนีได้ชายก็เรียกว่าเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุท ธ, ธเจ้าทีนี้ต่อมาก็มันส่วนถอยไปโดยลำดับลำดับเพราะว่าการห่างไกลจากปัสสามาสัมพุท ธ, ธเจ้ามานาน พรัทาความเชื่อของคนมันก็ท่อถอยไปพิษธุมีจึงหมดไปยังเหลือแต่ชีแม่ชียังเหลือแต่ผ้าขาวแม่ชีผู้นุ่งผ้าขาวนั่นคือว่าทางที่ท่อถอยลงไปมันง่าย การนั่งสมาธิภาวนาของเราทุกคนทุกดวงใจนี่ก็เหมือนกันถ้าหัวใจคนเราท้อแท้อ่อนแอนั้นมักจะยกอะไรไม่ขึ้นตั้งใจอะไรก็อ่อนแอท้อแท้เพราะว่ามันเกีย่ยวโยงถึงศรัทธาศรัทธานี้ท่านแปลว่าความเชื่อความเลื่อมใส เรื่องใสในคุณพระพุท ธ, ธเจ้าที่เราภาวนาพุโทโธพุธโทโธอยู่ถ้าใจเรื่องใสศรัทธาแล้วนึกน้อมจเจริญในจิตในใจมันก็ซา พ, พึ่งพึงใจถ้าศรัทธาไม่เกิดมีแต่ตู้เอ่ญข่านว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ดีจริงๆใจเราไม่รู้ไม่เห็นเพราะไม่ภาวนา ก็เลยความเชื่อความร่วมใสนั้นมันก็ตกไปย่อนไปไม่กล้าแข่งสาวกในขั้งพุทธการขั้งญาติทั้งโยมทั้งนักบวชท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบหรือว่าในสมัยโน้นท่านแข่งขันกันด้วยการปฏิบัติบูบชาอย่างว่าในพรรษาหนึ่งหนึ่ง มาถึงเข้าก็แข่งขันกันภาวนาว่าใครจะได้สำเร็จมากผลในพรรานี้และองค์ใดผู้ใดคนใดจะได้สำเร็จรวดเร็วกว่าคนอื่นๆงคอื่นๆเหล่านี้ท่านแข่งขันกันในทางปฏิบัติบูชา เพราะว่าพระสงค์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นไม่ว่าใครถ้าเราคิดไม่เห็นภาวนาไม่รู้พอเข้าใจว่าจะไปสู่สวรรค์เทวโลกพุทธโลกไปสู่นิพพานได้ก็เฉพาะพระสงค์ญาติโยมไปไม่ได้อันนี้เป็นความเข้าใจจิตไม่ได้ขึ้นกับญาติโยมไม่ได้ขึ้นกับเพศ นักบวชมันขึ้นกับการปฏิบัติบูชายังมีในสมัยคลังกันโงนมีโยมปุบาทิกาคือว่าโยมผู้หญิงคนหนึ่งพระสงไปภาวนาในป่าวัดปา่าแล้วมีโยมคนนั่นผุป่าตาประถม้มเรียงดูรักษาบินสบาศให้อาหารละดินสบาศ ทุกวันอาญาโยมต่างๆใส่บาทอยากน้ำไม่ท้อถอยทีนี้โยมาวันหนึ่งโยมคนนั่นก็มาคิดได้ว่าเอ๊ะพระธรรมยินัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จะปฏิบัติบูชาภาวนานั้นได้แต่พระสงฆ์เทียวหรือ ส่วนญาติโยมอุปาสกุปาสิกาทัทธาชาวบ้านภาวนาไม่ได้หรือปฏิบัติไม่ได้บรรลุมรรคผลหรือเมื่อเกิดสงสัยขึ้นมาก็ไปถามพระผูเก็นเจ้าคือญาติโยมนั่นตัวบำรุงรักษาทำบุญให้ทานอยู่ว่าถ้าพระทำ ที่พระผู้เป็นเจ้าพระพุทธปฏิบัตินี้ญาติโยมจะนำมาปฏิบัติบูชาภาวนาจะได้หรือไม่พระท่านก็ตอบว่าได้โยมให้เอาไปปฏิบัติบูชาภาวนาได้เหมือนกันหมดเพราะว่าพระธรรมเป็นสาธารณะธรรม ได้ทั้งนักปวดได้ทั้งผูุ้ดครองบ้านคองเรือนได้ทั้งนั้นโยมนั่นก็เลยมาเรียนธรรมูุบายธรรมภาวนาจากสักแล้วก็ไปปฏิบัติบูชาภาวนาแต่โยมนั่นเป็นคนมีทุกเพกตะปุญญาตาได้ทามาโกรนมากหมายแล้วพอไปภาวนาไม่นานเท่าไหร่ ไม่กี่เดือนก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาพระสัตยาคาพระอนาคาภาวนาได้สำเร็จและกิเลสได้ถึงขั้นพระอนาคาจงมาละลูกว่าพระผู้เป็นเจ้าที่เราได้ธนุวันลง <c oughs> ให้ ท่านนั้นท่านได้สำเร็จมรรคผลบ้างไหมเมื่อเลงมาถึงระที่ภาวนาอยู่ในวัดป่านั้นก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลแม้โสดาปฏิผลก็ยังไม่ได้งานแสดงว่าญาตโยมผู้ภาวนานั้นถ้าเขาตั้งใจจริงๆได้สำเร็จ ก <c oughs> ว่าพระผู้เป็นอาจารย์ก็ได้ฉะนั้นอย่าได้มีความท้อถอยในการปฏิบัติแต่นโยมนั่นก็พิจารณาต่อไปว่าทำไมเนอะพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ตัดดวงหวงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำไมจึงไม่ได้สำเร็จมีเหตุอะไรเป็นที่ขัดข้อง จึงไม่ได้สำเร็จนักผลเราเป็นคราวาสญาติโยมยังได้สำเร็จก่อนท่านเมื่อพิจารณาก็ได้ความว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายนั้นติขัดในทางอาหารแล้ว่าอาหารรสภายะอาหารเป็นที่สบายถูกธาตหขัน กอหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยจึงเป็นทางหนึ่งที่จะให้บรรลุมรรคผลที่นี้โยนคนนั่นก็ามาประวรณนาต่อพระสงฆ์ที่อุปถาพระธรรมอยู่ว่าคือพิจารณาได้ความว่ามันอาหารไม่ถูกกระทา มาภาวนาท่านดีสินหนึ่งว่าพระผู้เป็นเจ้าองค์ไหนชอบอาหารชนิดใจขอให้บอกโยมโยมจะทำถวายให้ถูกต้องตามธาตุขันธ์ที่ของพระผู้เป็นเจ้าหลังจากนั้นมาก็ถวายอาหารที่ถูกธาตุขันธ์ของพระสงค์ ไม่นานพระสงฆ์ก็เล่งความเชียนภาวนาได้สำเร็จมักผลถึงสุงนิษฐานนี่แหละไม่ว่าญาติโยมไม่ว่านักปวดมันขึ้นโยกับความตั้งใจของแต่และบุคคลเพราะว่าจิตใจของคนเราั้นไม่เหมือนกันไม่เท่าเทียมกัน ผู้ใดตั้งใจดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นดุลเป็นสุขสนไม่ปล่อยให้จิตใจของตนพุ่งสร้างลำคาญไปตามอำนาจกิเลสพยายามทําใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในหัวใจได้ทุกวันทุกคืนเห็นจิตใจอันไม่ทอแท่อ่อนแอในหัวใจ เมื่อปิดใจดีจิตใจตั้งมัน่นจิตใจเอาจริงเอาจังทุกคนปฏิบัติภาวนาก็าเจริญก้าวหน้าไปไม่เลือกว่าคนนั้นจะเป็นคนเทศใดไวไดัยใดไม่ว่าบวชเก่าบวชใหม่บวชที่หลังอะไรก็ตามถ้าตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆแล้ว ใครๆก็เป็นไปได้ทางนั้นเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้ปฏิบัติเมื่อตั้งใจปฏิบัติจริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคอุปสรรคต่างๆที่มันมาขัดข้องในใจของผู้ปฏิบัติบูชาภาวนานั้นก็เพราะว่าจิตใจผู้นั้น ไม่ตั้งใจให้เป็นที่คอยจะมีเครื่องอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาทาหวัตั้งใจเป็นที่แล้วดูตัวอย่างระพุพิเจ้าของเราในวันที่พระองค์จะได้ตรัสรัลุกเป็นสะพพธธิเจ้าพระองค์เปลี่ยนเปลี่ยนจากแต่เก่าก่อนมาเจยลานั่งภาวนาปฏิบัติบูชา ท่านตั้งสัตอธิฐานในใจลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะให้เป็นครั้งสุดท้ายจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นสัพพิตธธิเจ้ายอมตายในที่นั่งนี้แหละท่านสลัลงไปถึงขนาดนั้น เนืว่ากะตายลงไปเพื่อให้จิตใจนั้นมั่นคงไม่หลงไหลไม่ต้องกลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลหิวกลัวเป็นกลัวตายคือท่านเสียสละตายไว้ก่อนอะไรอะไรมันไปถึงแค่ตายนั่นแหละมันไม่เลยนั่นไปได้ท่านภาวนามีสัจจะอธิฐานไว้ในใจ ตั้งจุดไว้เมื่อไม่ถึงจุดนั้นจะไม่ถอยความเกียนตายก็ให้มันตายไปไม่ต้องกลัวตายทีนี้เมื่อตั้งใจแน่วแน่อย่างนั้นแหละอะไรมันไม่เหลือวิสัยแล้วอุปั้งหลายนะมันเลยไม่มีนีมันก็อยู่เต็นอุปัรคไม่ได้เลย อ, อุปัรคมันสร้างบรารมี ชีวิตของท่านก็เรียกว่าต้องต่อสู้ความุขอันแท้จริงก็คือว่าใช้นะได้ชนะกิเลสความโกรธโลภหลงของตนของตนได้แล้วก็พ้นทุกข์ยในโลกในวัฏสงสารอันการภาวนาที่ท่านให้บริกรรมภาวนาตัวดีให้พิจารณา <c oughs> กายกตาสติกรรมฐาน อันมีอยู่ในร่างกายสังขารของตัวเราเองติดล้วนแล้วแต่เป็นอุบายภาวนาได้ทั้งนั้นแต่เราผู้ประกอบกระทำนั้นมันทำไม่ถึงทำไม่มากมันทำน้อยเจนทีแล้วก็ไม่ละตายลงไปเหมือนประพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าของเราท่านเอาตายว่า แล้วคนเรามันไปแค่กลัวตายคำว่ากลัวตายนี่มันยังอยู่ในขั้นมานกิเลสมันยังข้ามมานกิเลสยังไม่ได้เมื่อผู้ปฏิบัติไม่ว่าสาวกไม่ว่าพระพุทธเจ้าพอภาวานาไปภาวานาไปมันเอาตายมาว่าภาวานาไปจากนี้ไปไม่ไหวนะตายนะ รู้ว่าโรคภัยไข้เจ็บเรามีโรคอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ในร่างกายสังขารถ้าไม่ป้อนขันมันจะตายนะนี่แหละเครื่อมานั่งนั้นที่เลมานขันทํามานสังขารมานมัดตัวมานคือความตายมานเหล่านี้แหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องข้ามให้ได้ข้ามให้ก้นไป มันจะเป็นตายไร้ดีอย่างไรเราไม่ต้องเปิดตัวถ้ามันถึงเวลามันจะตายแล้วนั่งนอนอยู่ดีๆมันก็ตายไม่เจ็บใครได้ป่วยอะไรก็ตายดูที่คนบางคนเมื่อยังไม่หลับไม่นอนพระโสมี พระก็ตายได้นอนหลับไปก็ตายได้เหมือนกันเนรก็ตายได้แม่ขาวนางชีก็ตายได้เหมือนกัน <c oughs> เมื่อยังไม่นอนนี้ปูกจาปสาสัยอะไรดีทุกอย่างจนเกื่อนมนุษย์ไม่สําคัญว่าจะเกินไปได้พอนอนไปไม่รู้ว่าตายแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ ส่งเข้ามาพระตายแล้วทุปชาตายด้วยพุปชานั้นก็นั่งบวชนาบบวชนาบบวชพระเนนยังไม่หมดส่งเข้ามาแล้วก็วดได้เวลาไปบินั บ, บาทนั้นเป็นชาวดิสารเดือุปชาเราทำไมยังไม่ตื่นนอนปันเนี่ว่างั้น ไปดูเน้นไปตามเนาะไปยังนอนผมผ้าเฉยอยู่ลองก็เงียบไปทีนี้พาไปจับเท้าพอจับเท้าพนันเรามันก็เพื่อถึงศีรษะมันแข็งก็ล่างหมดแล้วนั่นแหละเป็นอุปชาอาจารย์ก็ตายได้เป็นพระสมองค์เจ้าก็ตายได้ เป็นแม่ขาวนางจีก็ตายดีทาไม่ภาวนาแล้วไม่ได้ล่ะภาวนาเท่านั้นแหละจะพ้นความตายแต่ไม่ได้หมายว่าชาตินี้ก็พ้นไปนะถ้าเล่าภาวนาดีถ้าต่อไปไม่มีตายอยีกตายชาตินี้ก็แล้วเหมือนพระพุท ธ, ธเจ้าพระสังมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระอริยสงสารกเจ้าทั้งหลาย เมาว่าท่านนิพพานปัจจามุรานว่านิพพานคือจิตของท่านไม่มากังวลวุ่นวายในมนุษย์โลกในเทวะโลกในพรมโลกอีกไม่ยินดียดินไล่ที่จะมาโกรดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายอย่างโลกธรรมดาอีกท่านเห็นว่ามนุษย์โลกตัวดีเต็นไปด้วยทุกข์ เทวเ่าโลกก็เจนไปโดยทุกเจงไปโดยโทษธรรมโลกก็เจนไปโดยทุกโดยโทษสู้ปาภาวนาละกิเลสให้หมดสิ้นไปสู่นิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาเป็นทุกข์เปนร้อนอย่างคนเราธรรมดาสามัญทั่วไป <c oughs> แน่นั้นการตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาน h i เราจะต้องยกจิตใจของเราให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นไม่ให้มันโยแค่อุปสรรคคำว่าอุปสรรคสิ่งที่มาขัดข้องในใจมันจะขัดข้องยังไงยังไงก็ตามถ้าเราตั้งใจให้สูงส่งไว้ ยังว่าอะไรอะไรทั้งหมดที่มันไม่สบายอย่างโน้นอย่างนี้นะ่อยให้เรานึกถึงมรณะภัยคือความตายเมื่อความตายมาถึงเขามันไม่ได้เลือกท่านวันนัทเป็นอุปชาอาจารย์ก็ตายได้ไม่มีโลกภัยไข้เจ็บอะไรอยู่ดีสบายตื่นนอนมามันไม่ตื่นใชแล้ว มาตายแต่เมื่อไรไม่รู้นี่แหละท่านจึงให้พากันรีบเร่งภาวนาพุทโธมาราณะสรรมฐานไว้ให้มากให้พอเพราะว่าเรารู้แต่วันเกิดถ้าเราถามกันคนทุกคนก็ย่อมรู้ได้ว่าวันเกิดของตัวเองเป็นวันอะไรวันที่เท่าไรย่อมรู้แต่ลองถามดีว่าวันตายของเราดู รู้ไหมรู้ไม่รู้แหละ ว, วันไายรู้ได้แต่วันโทษวันโทษก็ผู้อื่นบอกตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันนี่แหละผู้ปฏิบัติภาวนาท่านจึงไม่ให้นิ่งนอนใจเพราะว่าที่พึ่งตูนไม่มีกระพุติเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพวกเราทั้งหลายถ้าทำเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพวกเราทั้งหลาย พระอริยสงสาวุเจ้าทั้งหลายเป็นที่พึ่งได้จริงๆเมื่อเราละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและเลึกถึงความสามัคคีฐานของพระพุทธเจ้าทั้งอดีต ท, ทั้งปัจจุบันชาตินี้นั้นย่อมเป็นคติเตรียใจเราท่านทั้งหลายได้ทุกทุกทุกนามเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้น ได้มาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วมีแต่ให้ประโยชน์แก่มนุษย์เนียเทวดาอินทร์ทั้งหลายพระพระเจ้านั้นมาให้โทษแก่ไขทุกโทษต่างๆที่มันมีขึ้นก็เพราะว่าคนเขาทำไม่ดีต่างหากบาปของเขาต่างหากจึงได้เกิดทุกโทษขึ้นมาในตัวของเขาเหมือนพระเทวทัต พระเทวทัตนั้นเป็นผู้ไม่ฟังคำคําสอนของพระพุทธเจ้าเวลาเป็นคู่แข่งขันแต่พระพุทธเจ้าท่านหย ด, ดท่านไม่ได้ไปแข่งขันกับพระเทวทัตท่านมีความเมตตาพระเทวทัตเท่ากันกับพระราหุลูกชายท่านไม่มีความเกียดเอียองไปรักใครไปฉังใคร เน้่ว่าจิตใจท่านสม่ำเสมอกันหมดไม่เหมือนใจตัวทุชนคนเราใจตัวทุชนคนเหล่านี้ไม่ได้ถ้าคนใดไม่ชอบคอพอใจแล้วไม่ยอมล่ะในใจแต่นั่งพระไทรใจพระพุทธเจ้านั่นเแลยวว่ากว้างขวา ง, วางลึกซึ่งสูงส่ง ไม่มีมนมุษย์คนใดจะมาทำให้พระพุทธเจ้าเกลียดทังโกรธโลกหลงไม่มีใครจะมาว่าไายใส่ล่พระพุทธเจ้าโดยวิธีการใดๆก็าตามพระพุทธเจ้าท่านก็เฉยไม่ต้องว่าอะไรทั้งนั้นภาวนาพุทโธในใจท่านอย่างเดียวนึก <c oughs> ถึงวารณภัยความตายในจิตของท่านอย่างเดียว แต่ว่าคนสู้มาว่ากล่าวทำร้ายเบียดเบียนพระพุทธเจ้านั้นเกิไภัที่บัตรเป็นไปในทางที่เรียกว่าไม่ดีทั้งนั้นเพราะเขาทําเองไม่ใกลพระพุทธเจ้าทําให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสเป็นผู้บอกเป็นผู้สอนเป็นผู้เทศนาบอกลั่งสั่งสอน ให้ทำดีด้วยกายได้แก่ความประพฤติให้พูดดีทางวาจาไม่ให้พูดโกหกปกกลมให้คิดดีในทางจิตไม่ให้จิตใจพยาบาทอาฆาตจองเยน็นแก่คนแก่สัตว์สัตว์ล็กหน้าดำตาแดง ถ้ามากขึ้นไปก็ถึงขั้นประหัตประหารกันอันนี้เรียกว่าเราจะต้องตั้งใจให้ถึงคุณรัพพุติเจ้าเป็นอารมณ์หัวใจของเราถึงคุณรัพพุติเจ้าเป็นอารมณ์แล้วนั่งก็ภาวนาได้ยือนก็ภาวนาได้เดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาได้ไปรถไปลาก็ภาวนาได้ กลางวันก็ภาวนาได้กลางคืนก็ภาวนาได้หมายถึงจิตใจลำลึกอยู่เสมอในคุณพระพุติจ้าในคุณพระธรรมเจ้าในคุณพระสังฆ์เจ้าจิตใจภายในของผู้ปฏิบัตินั้นเยวว่าเลื่องใสศรัทธาเลื่องใสศรัทธาจริงๆจนกระทั่งว่า สมมติว่าถ้าพระพุทธเจ้ายังมีอยู่สาวกทั้งหลายนั้นแล้วเฉลกสลัให้พระพุทธเจ้าต้องการอะไรอะไรบ้าสาวกถูกลุกจิเสียสละให้เหมือนกับว่าสละชีวิตให้ถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นธรรมบูชาถวายเป็นสังฆบูชา ทพาะนั้นพระพุทธเจ้านั้นพุทโธที่เรานึกเราเอามาภาวนาจึงเป็นของดีดิเศษเป็นอุบายละกิเลสความโกความโลกความหลงให้เบาให้บางให้หมดไปสิ้นไปได้ด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งจะมาตั้นเอาแตงเอาแตง่เแตงเอาตั้งเอา เหมือนคนธรรมดาไม่ได้แต่พระพุทุเจ้าบำเพ็ญมาเองทำบุญให้ทานรักษาสินห้าสินแปดจระญลนสมาธิภาวนาก็ะองค์ไม่ทอดทุรละในการสร้างการทำคุณงามความดีคุณงามความดีอันใดที่ยังไม่เกิดไม่มีขึ้นทํานทำให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็ทำมาก ทำหลายมากมายหลวงหลายด้วยเพราะเป็นธรรมดาผู้มีจิตใจเมตตาคารุนแก่สัตว์โลกไม่ว่าทําอะไรก็เพื่อผู้อื่นทางนั้นส่วนพระ อ, องค์เป็นส่วนหนึ่งส่วนยุคนผู้อื่นอีกส่วนหนึ่งอันพุทธบารมีที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญ น, นั้นจงเป็นหน้ากราบไหว้บูชา วิจใจนั้นนับว่าเต็มเตียนด้วยความเมตตาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่มีการอิจฉาพยายามพาค่าจองเวียนไขเรียกว่าเมตตาแก่สัตว์โลกทั้งหลายมีความกรลยาของสารของสารสัตว์โลกทั้งหลายทั้งคนทั้งสัตว์มุกิตา เมื่อตัดเมื่อคนทั้งหลายเขาได้รับความสุขกายสบายใจหรือสิ่นใดสิ่งหนึ่งท่านก็มีความพอยินดีไปด้วยคือไม่ขัดข้าแต่คนเราธรรมดาไม่ได้คนอื่นจะดีจะเด่นตัตวแล้วหาทางปัดแข้งปัดขาหาทางจีบกันไม่ให้มันก้าวไปได้ อันนี้แหละชื่อว่าจิตใจของคนเรามันยังไม่สูงพอเราจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดูชาภาวนาไม่ให้ใจเราท้อแท้ออนแอในหัวใจอ่าดัน จ, จะเริ่มมาขึ้นมาบนนี้ความเลื่องใสในคุณพระพุทธเจา้าพุทธคุณ ไม่ใชเรื่องเล็กน้อยจึงมี <c oughs> พุทธภาจิตมีคําไหว้พระคํำสวดบทหนึ่งที่ท่านว่าอปปัมโนพุทโธคุณพระพุทธเจ้าไม่มีมรประมาทอปปัมโนธรรมโอคุณพระธรรมไม่มีมรประมาทอปปัมโนสังโโหคุณพระสงฆ์ไม่มีประมาท อย่นั้นคุณกะพุทธเจ้าผูา้ใดเจริญนึกถึงภาวนาถึงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่มันที อ, อ, อันนั้นเพราอนึกถึงจเจริญอยู่เนิองนึดิดต่อกันไปจุดใจของผู้นั้นก็มีแต่ความจเจริญก้าวไปข้างหน้าไม่ถอยหลัง ระบุญทุศลที่ผู้นั้นประกอบกระทำ คือความตายที่จะมาถึงตนนั้นให้ได้เทปลมหายใจเมื่อนึกได้เจริญได้อย่างนั้นอยู่นึ่งนิบติดต่อกันไปมันจะมีพะละกำลังเพราะว่าใจาคนเรานะั้นเมื่อมันมีกำลังมีความสา ม, มารถมีความจีตยินดีในสิ่งที่ตนนึกตนเจริญในสิ่งที่ตนมองเห็น ความวุ่นเหงาเหงานอนไม่มีจิตใจจะชุนบานเบิกบานจะภาวนาขอ้อใดอุบายใดก็จิตใจโดิก บ, บานยิ้มแ ย, แย้มแก่มใสก็ว่าใจมันเห็นเห็นผลเห็นอนิสงส์แห่งการปฏิบัติบูชาภาวนานั่นการภาวนาเมื่อจิตใจของตนของตนมีความสงบตามมาั้งมั่น รวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแค่ความสงบทาง่านก็มีบุญมีกุศลอันสําคัญแล้วจึงมีว่าความสุดใดๆก็ตามจะเสมอความสงบไม่มีจิตใจคนเราถ้าสงบแล้วโยที่ไหนไปที่ไหนก็มีความสุขนังธรรมดาก็มีความสุขนั่งภาวนาก็มีความสุข นอนอยู่ยังไม่หลับก็มีความสุขหลับไปก็ไม่ฝันร้ายฝันดีตื่นขึ้นมาก็จิตใจดีงามไม่เศร้าเศกเสียใจไม่ทุกข์โมนัดรับเค่อนเนื้อใจประการใดทั้ทงนี้มาจากบุญกุสมที่สนเราประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นไม่ว่าคนยึดก่อนยึด หลังๆมายึดตัวเรามาเกิดนี่ก็เหมือนกันถ้าเราทำตามปฏิบัติตามจนเอดความเชื่อความร่อมใสจนเกิดพัฒนาเห็นดีเห็นชอบในการปฏิบัติบูชาภาวนาจนถึงขั้นจิตใจสงบสงบมีความสดในใจของตัวเองแล้วการทำการปฏิบัติก็ไม่ท้อถอย ตป็นคนหนุ่มคนแน่นเด็กหนุ่มก็ภาวนาได้เปนคนแก่คนชราวัห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบไปหน้าก็ตามภาวนาได้ถึงนั้นเพราะว่าพัฒนามันเกิดพัทนาเกิดก็จิตใจมันตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจมันมองเห็นมันรลืได้ในจิตใจของตนที่ภาวนานั่นคามท้อถอยไม่ดี มีแต่งมุมาณะไปข้างห น, น้าจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้จิตใจของตนได้สงบระงับได้บรรลุมรสนจนเห็นแจ้งพระนิพพานด้วยนามจิตนามใจของตนศรัทธาความเชื่อความเร่อมใยในการปฏิบัติบูชาภาวนาพุทโธนัน ถ้าเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบึญเป็นสุนจริงๆแน่ทุกคนก็ย่อมเป็นไปได้ไม่ว่าใครเพราะว่าพระธรรมคำสอนของะตุติเจ้านั้นเป็นตาชูเ <c oughs> ที่ยงตรงที่สุดใครทำดีผลก็ต้องให้ผลดีตามที่ตนทำดีนั้น ใครพูดดีก็ย่อมเป็นไปตามที่ตนพูดนะั้นใครคิดดีจะรวมภาวนาดีทำใจให้สงบสงบก็นนะเป็นไปเพื่อความสุขความสบา ย, ยานั่นมีความทอแท้อ่อนแอในหัวใจประการไดแห่งั้นการปฏิบัติบูทาภาวนาในทางพุทธศาสนา จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกๆคนจะต้องประสอ บ, บรรจะทธเพราะว่าการปฏิบัติดูู่าภาวนานี่คนอื่นไปทำแทนให้ไม่ได้ตัวเราทำเองปฏิบัติเองรักษาศีลเองทำบุญให้ทานเองนั่งสมาธิภาวนาเองจังให้เจิสติสมาธิปัญญาขึ้นมาด้วยพละกำลังที่เรา ประพุทิดีปฏิบัติชอบทางกายวาจาจิตของเรานั่นแหละฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากานได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุดความเจลืนอีวังก็มีด้วยประการละสนีิ ยาทาวาวิวาหาปลูลาปริปุเนินติตงกาลังเยวะเยวะอิโตติานางังติตานังตุปตะปติจิตตังปติตังตุงหังจิตตังเยวะตุมิเตตุปตะเบตุเรนตุสังกัป้า จังโทปันละโสยะฐานะมิโธติละโสยะฐานะติตโยวิวัติสุขะทัลโลโหนินะสุขุนาเปตวัตวันตราโยตุชิติขาดุโศลาอาชีวาธนติรุตเตเนจังยุตตาปัจจานิโม จะตโรธาวาทันทิอายุวันโลกตองการตลังเวลาลมออกแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคขัดข้อสูรลมหายใจเข้ามาไม่ได้เราก็ตายความตายนม่ท่านเลึกได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจออก จนมองเห็นแจ้งชัดว่าโรคประัน์ร่างกายนี่จะเอาไปหลบไปซ่อนที่ไหนไม่ให้ตายนั้นเป็นไปไม่ได้จะเห็นได้ว่าบางคนนั่งอยู่ดีๆเกิดเป็นลมขึ้นมาตายก็มีบางคนก็ยืนอยู่ดีๆยังพูดจาปลาใสได้อยู่ก็เกิดตายลงร่มลงไปก็มี บางคนก็เดินไปยังไม่ถึงจุดหมายไปตายเสียในกลางทางนและความตายนีพันว่ามันรุนแรงที่สุดด้วยเหตุนี้พระพุท ธ, ธเจ้าจึงทรงตัดว่าความตายเป็นทุกข์คำที่ว่าความตายเป็นทุกข์ไม่ได้หมายว่าตายแล้วมันเกิดทุกข์ขึ้นมา มันเป็นเวลาก่อนจะตายนะมันเป็นทุกข์ก่อนจะหมดลมหายใจนะมันเจ็บจนกระทั่งหาที่ไวที่วางไม่ได้ทวะหนาวก็หนาวที่สุดทวะร้อนก็ร้อนที่สุดจนทนไม่ไหวคนพยาบาลผู้พยาบาลไม่รู้จะทำตามได้อย่างไร นอนอยู่ก็ใจจะขาดแล้วร้องขอแสดงว่าอยากจะลุกขอให้ลุกนั่งเถิดเหมือนจะสบายคนดีก็ช่วยเอาขึ้นมานั่งนั่งยังไม่ถึงสักกี่นาทีนะ่ะเพราะว่าใจจะขาดขอให้เอานอนลงอนอนไปหน่อยก็ว่าอยากลุกเอาโยงอย่างนั้น จนคนพยาบาลรักษาลาบากที่สุดฉันพอทำตามก็กระวนกะวายก็ทำตามก็เป็นทุกข์นี่แหละความตายเป็นทุกข์นั่นไม่ได้หมายว่าตายแล้วหมดลมหายใจแล้วจิตออกจากล่างแล้วมาเป็นทุกข์ภายหลังไม่ใช่อย่างนั้นเวลาจะตายนั่นแหละก่อนจะตายเป็นทุกข์ที่สุด ้าใครยังไม่ได้เฝ้าคนคนใกล้จะตายไม่รู้แต่ผู้ที่เคยได้เห็นได้นั่งเฝ้าคนใกล้จะตายแล้วรู้ทีเดียวว่ามันทุกแสนสาหาัสลมหายใจเข้าและออกก็สั้นเข้าไปเรื่อยและมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิว คือความตายจะใกล้กลจะถึงนั่นเรียก ว, ว่าหาเวลาหลับเวลานอนไม่ได้ชั่วเวลาหายใจเข้าไปครบเดี๋ยวก็ไปหลับได้หลับชั่วลมหายใจนั่นพอลมหายใจออกมาก็าตื่นเอาถึงขนาดนั้นแหละความตายแต่นี่มันหนักเข้ากว่านั้นเวลามันจะตายจริงๆ ไม่ใส่เรื่องเล็กเล็กเยเส้นเอ็นในร่างกายมีสัาพหมดโลกตานี่ยแล้ ว, ว่าเขียวเหมือนเีกแมลงพูด้ดูไม่ได้คนใจอ่อนเราก็ดูไม่ได้นานลเวลามันจะถอด <c oughs> ออกจากเด้นจะขันท่างห้าทุกที่สุดเรียกว่าสะบั้นหมดตัว พอจิตนั่นมันหลุดออกจากร่างกายไปแล้วร่างกายก็หยุดนิ่งลมหายใจก็ไม่มีตอนแรกๆก็จะมีอยู่ในจอกคอหรือในคอหอยมีตินอยู่ดิ๊ก ๆ, ๆ, ๆิๆกดพอหมดนั่นแล้วก็หมดละมันคารลกคอดบบวมเราต้องนั่งตายละนอนตายบนแอร์ คือถ้านอนหลัใจมันจะขาดแต่เอานั่งมันค่อยยังจู้นอดล้ อ, ลองคางอยู่เหมือนเหมือนกับบอกไม่ได้อะมันเหลือวิสแล้วมันไม่ฟังแล้วเวลาใจิตใจจะขาดมันจะร้องสุดขีดร้องสุดขีดแล้วก็หมดไปพร้อมกันอย่างนั้นตัวนี้ นี่แห ล, ละมรรนังภาวิตติมรรนังเนภาวิตติเราต้องตายเวยลามันจะตายจริงๆไม่ใช่มันสมายมันพุกที่สุดที่สุดของตายสุดแล้วก็ตายดันั้นมรรนังมรรนังความตายมรรนังเนภาวิตติความตายเนี่ยอย่าได้หลงได้ลืมให้นึกอยู่เสมอ นึกอยู่ทุกเวลานึกอยู่ทุกลมหายใจเข้าและออกหรือยิ่งกว่าทุกลมหายใจเข้าอีกเสียด้วยเพื่อจิตใจจะได้สงบตั้งมั่นโยในสมาธิอวนาปัญญาจึงจะแก่กล้าสามารถเลิกละความโกรธความโลภความหลงอวิชชาตัณหาในจิตใจของตนได้ จึงจะพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกนี้และโลกหน้าอีกทีนี้ถ้าผู้ปฏิบัติไม่เล่งทำไม่ปฏิบัติเพียงแต่ว่าสบายอยู่ในภักใดคณะใดแล้วก็อยตามความสบายไม่ได้จะต้องพิจารณาให้มันข้ามพ้นจากทุกขเวทนาต่างๆนานาหมด จิตนี่มันยังมีความคิดความหวังอะไร อ, อะไรอยู่ <K _> ก็ให้ดูในจิตเพียร <K _> พย า, ยามรักษาไม่ให้จิตใจทังเถื่อมัวเมาร ว, <K _> วมกำลังเข้าไปสร้งภายในสร้างภายนอกไม่เอา <K _> คำว่าภายในดวงใจที่มีความรู้อยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้มันอยู่ที่ไหน ก็ให้เข้าตั้งกองนั้นแหละเมื่อตั้งกองนี้ได้แล้วนอกจากจิตใจดวงผู้รู้อันนี้ออกไปให้ระวังกิเลสมารสังขารมารมันจะปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรขึ้นมาแทกแซงในจิตใจอันนั้นจนพาให้สั้งเธอรุ่มหลงไปตามอารมณ์กิเลส เมื่อเราละมัดระวังอยู่ว่าเจ็ตใจที่ภาวนาอยู่ที่นี้ก็อยู่ที่นี้เท่านั้นเห็นแจ้งวันนอกจากที่อยู่นี้ออกไปนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะไม่ว่ามันก็เป็นอยู่แล้วอัานคาว่าคำกล่าวนี้มันเป็นคา ส, สอนท่าน จิตใจคนเรานั้นถ้าหาว่าร่างกายไปมาไม่ได้ถึงเวลามันจะแตกจะตายมันแค่เดียวเท่านั้นออกหนีจากร่างและร่างกายนี้ไม่มีประโยชน์อะไรในละทั่งวัคคลิงพลังเหมือนท่อนไม้ท่อนรั้วท่อนปืนไม่มีประโยชน์อะไร แต่ถ้ายังมีชีวิตลมหายใจอยู่เหมือนเราท่านทั้งหลายเวลานี้มีค่ามีราคทาทั้งใจภาวนาจริงๆก็ยังมีหวังที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ทุกๆุกคนถ้าไม่ปะมาทอันความประมาทนนี้ท่านลา มันมีอยู่ทุกตัวสัตว์ทุกตัวคน้าใจิตใจนี่ขาดสติความระลึกได้เมื่อใดเวลานใดมันก็เป็นความประมาทมัวเมาหรือไม่ได้นึกถึงความตายของตัวเองนึกถึงแต่ความเป็นนึกถึงแต่ความอยากได้อยากดูอยากเป็นอยากมีติดข้องไปหมดนั่นแ่ะเพื่อว่ามันลืมตาย อย่าให้มันลืมตายถ้ามันลืมก็ให้ดูว่าทุกลมหายใจเข้าออกมันตายได้ทุกเวลาถ้าไม่เชื่อเราก็ต้องดูญาติพี่น้องของเราที่เกิดร่วมท้องมารดาเดียวกันแล้วมีคนตายไหมบางคนก็ตายไป่องคนสาคนบางคนก็ยังเหลือแต่ตัวคนเดียว นอกนั่นเขาตายไปหมดแก่ทั้งที่ทั้งน้อทั้งหญิงทั้งชายเขาตายไปหมดยังเหลือแต่ตัวคนเดียวและตัวคนเดียวตัวเรามันจะไม่ตายนะั้นมีอย่างหรือไม่มีเพื่อนมนุษย์เขาตายได้อย่างไรตัวเราก็ต้องตายกันนั้นให้นึกให้เตือนจิตใจของเราในเรื่องมรณะภัยความตาย แค่ว่าคนที่กลัวคนที่ไม่สนิทพิจารณาให้ดีก็ไม่อยากนึกเพราะว่าถ้านึกแล้วเหมือนอายุมันจะสั้นพลันตายเร็วเข้าเพราะเราก็ยังไม่อยากตายความจริงความตายเหตุการณ์แห่งความตายมันมีต่างหากไม่ใช่มีเพราะเราบริกรรมภาวนาเอาธรรมะมาเตือนใจอย่างนี้ ถ้าไม่ถึงเวลามันไม่ตายยังมีเหตุภัยขนาดไหนก็ตามมันก็พ้นตายให้จงได้เพราะมันยังไม่ถึงเวลาแต่ถ้ามันถึงเวลาแล้วตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้คุกลมหายใจออกหมดลมหายใจเข้าออกเมื่อใดเวลาใดก็ตายได้ทุกทุกคน มรละเ น, นภาวิสติกเนให้นึกให้เตือนอยู่ทุกเวลาแม้จิตใจนั้นมันจะอวดดีกวดดีว่าเราไม่ตายตายแต่คนอื่นอย่างไรก็ตามต้องเตือนจิตเน้ว่าคนอื่นตายได้ตัวเรานี่ก็ต้องตายได้แต่เวลานี้บุญกุศลยังมีอยู่ ให้เราได้จเจริญภาวนาไหว้พระสวดมนต์สงใจในข้อปฏิบัติไปเสียก่อนความตายยังไม่มาถึงหมายถึงตายหมดลมหายใจแต่ว่าที่มันตะ <c oughs> ตายผิดบังอำทางนั่นมันตายไปทุก ทุกทีทุกเดือนทุกชั่วโมงนาทีทุกวินาทีมันตายตายไปอย่างนั้นแต่มันละเอียดมองไม่เห็นปัญญาญาณยังไม่เกิดญาณปัญญาเกิดแล้วเห็นตายตลอดอยู่เลยละนั่งก็เห็นตายนอนก็เห็นตายยืนก็เห็นตายพูดอยู่ก็เห็นตายภาวนาอยู่ก็เห็นสิ่งความตาย เมื่อเห็นจิตใจกายวาจาจิตของตัวเองมีความตายอยู่อย่างนี้มนุษย์ที่เกิดมาไม่ว่าเด็กนมแก่สลาอย่างไรก็ตามมันตายไปโดยลําดับลําดับคือว่าเป็นตายผิดบาปผู้ไม่มีปัญญาก็เข้าใจว่าไม่ใช่ความตายแท้จริงอะมันตายไปตายไปแตดไปทําลายไปมันไม่ได้หยุดไม่ได้อยู่เลย ทีนี้เมื่อมันเป็นเช่นนี้จะไม่ตายจริงๆนั้นไม่ได้ต้องตายเมื่อความตายมาถึงเข้ามันตัดทอนหมดทุกอย่างเราจะไปเลือกเอาอย่างนั่นอย่างนี้ไม่ได้ทั้งนั้นละมรณะกรรมฐานนี้เป็นยอดคำถึงเวลาแล้วมันต้องแตกต้องตายแต่มันยังไม่ถึงเวลามันก็ยัง แต่เวลามันอยู่ในข้างหน้านไม่นานต้องรีบเร่งภาวนาพุโทโธทุกลมหายใจเข้าออกอยู่ภาวนามรณะกรรมฐานให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่เพราะเรามองไปในทิศทาง 4, ท ต, 8, ท ต, ตีตทิศแปดทิศยิ1ก็ตัสจิตทิศ ความแก่ความเจ็บความไข้ความตายของเราของเขาสัตว์โลกทั้งหลายมันเตรียมตายอยู่ทุกขณะทุกเวลาไม่มีอะไรที่จะมา ก, กั้นกลางได้ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคำซ้อมในทางพุทธศาสนาท่านจึงให้โอปนละเอูน้อมเข้ามารวมเข้ามาังบเข้ามา จนมาตั้งอยู่ในจิตใจภายในนี่ได้นั่งโยเจิตก็ภาวนาสบายใจพุทธโธสบายใจเดินอยู่พุทธโธก็สบายใจเดินไปพุทธโธก็สบายใจนั่งนอนหลับอยู่กับพุทธโธสบายใจถ้าจิตสงบตั้งมั่นแล้ว สบายอบสบายใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายประการใดผู้ปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนามาเจริญมรณะกรรมฐานเตือนใจของตนได้เตือนหมูณะได้เชื่อว่าได้ทำบุญได้ทาธรรมได้ให้ธรรมเป็นฐาน ทำมาทานผู้ให้ทานด้วยการแนะนำสั่งสอนขั้นจึงว่าเป็นบุญเป็นผู้สนสมควรเราทุกคนจะต้องเนิกต้องเจริญขึ้นมาในใจให้ได้รวมจิตรวมใจเข้ามาอยู่ในใจจะภาวนาบทใดขอด้อใดก็เหมือนกันหมดภาวนาเตือนใจว่าเราต้องตายแน่แน ไม่มียยาก